สิกุสลวาระวาระว่าด้วยเป็นกุศล3033้อ30 30สามมุขาวินัยเป็นกุศลอากุศลอภพยากฤษเยพุยสิกาเป็นกุศลอากุศลอภพยากฤษสติวินัยเป็นกุศลอากุศลอภพยากฤษอมูระหาวิไน เป็นกุศลอกุศลอภพยากริปตปฏิญญาตการณะเป็นกุศลอกุศลอภพยากริตตัสปาปิยสิกาเป็นกุศลอกุศลอภพยากริตตินวัฏฐากะเป็นกุศลอกุศลอภพยากริตสามุขาวินยัยเป็นกุศลก็มีเป็นอภพยากริตก็มี สัมมุขาวินัยเป็นอกุศลไม่มีเยพุยศิกาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มีสติวินัยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มีอมูรหาวินัยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มี ปติญญาตการณะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภพยากลิตก็มีตัดสปาปิยสิกาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภพยากลิตก็มีตินวัฏฐารกะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภพยากลิตก็มีวิวาธาธิกอน เป็น scores, กุศลอกุศลอัยยากลิอนุวาธาทิกรเป็นกุศลอกุศลอัยยากลิอาปาตาทิกรเป็นก <cres politik. S 1> ุศลอกุศลอพยยากลิิกิจจาธิกรเป็นกุศลอกุศลอัยยากลิวิวาธาทิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอก <Sang> ุศลก็มี เป็นอัพยกฤิตก็มีอนุวาทาธิกรเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤิตก็มีอาปัตตาธิกรเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤิตก็มีอาปัตตาธิกรที่เป็นกุศลไม่มีกิจจาธิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากริตก็มีกุสลวาระที่ส3าจบ